อย่างนั้นเหรอพ่อทงพลถูกแล้วในคุติที่อยู่ของสัญญาสีจะต้องมีไฟกองหนึ่งลุกโูมอยู่ตลอดเวลาหรือว่าบูชาเป็นประจำถูกของทานสัญญาสีจะต้องบูชาไฟเป็นประจำโดยการเอาเลยน้ำมันไม้กันและขออหอมต่างๆใส่เข้าไปในไฟนั้นไฟนั้นมีความสำคัญยังไง จึงต้องบำรงบำเรอด้วยความเอาใจสาใส่เช่นั้นโอ้สำคัญมาสีเดียวไฟเป็นพลังงานของจั ก, กรวาตเป็นตัวแทนของพระสุริยเทพบนแผ่นดินเป็นคุณลักษณะอันสงคัญของเทพเจ้าผู้ใดได้บำรงบำเรอไฟก็เท่ากับได้บำรงบำเรอเทพเจ้าเอาละท่านผู้ทรงพระ ข้าพเจ้าได้ถามท่านถึงข้อปฏิบัติทางกายมามากพอสมควรแล้วต่อไปนี้อยากจะถามท่านถึงข้อปฏิบัติทางจิตใจบ้างในด้านจิตใจท่านปฏิบัติอย่างไรบ้างในด้านจิตใจสัญญาสีมุที่จะนำอัตมันของตนเข้ารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิญ ญ, ญาณสากลแต่การที่จะนำวิญญาณสากล น, นั้น ไม่ใช่ทำได้ง่า ย, ายเพราะอะไรวิญญาณของมนุษย์เป็นวิญญาณไม่บริสุทธิ์ถูกอคอหุ้มไม่อย่างหนานแน่นด้วยกิเลสต่างๆแล้วทำยังไงต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักโยคะอย่างเคร่งครับเป็นเวลานานบางทีขาดนี้ทั้งนา้อาจจะไม่สำเไ็จแล้วทำยังไงล่ะ ก็ต่อปฏิบัติถือต่อกันไปนับเป็นร้อยๆพันๆชาติถ้าปฏิบัติติดต่อกันไม่หยุดจะมีอะไรเกิดขึ้นวิญญาณจะผ่านขั้นต่างๆสรรี่ขั้นขั้นแรกเรียกว่าสาโรกยะในขั้นนี้วิญญาณของเราจะเข้าไปอยู่ในโลกเดียวกับวิญญาณสากลถ้าปฏิบัติต่อไปอีก กว่าจะบรรลุถึงทั้นที่สองเรียกว่าสามีไพฮะขั้นนี้เป็นยังไงล่ะขั้นนี้วิญญาจะเข้าใกล้ชิกวิญญาสากลยิ่งขึ้นเราจะมี่ิตใจบริสุทธิ์ะอาจขึ้นมองเห็นวิญญาสากลได้แคดเกณฑขึ้นเมื่อเราปฏิบัติต่อไปอีกวิญญาของเราจะกล้าวไปสู่ขั้นที่สาม เรียกว่าสาระประยาขั้นนี้เป็นยังไงอ่ะรูปรสณะใกล้เคียงกับวิญญาณสากคปฏิบัติต่อไปอีกวิญญาณก็จะเข้าถึงระยะที่4ีซึ่งเป็นระยะสุดท้ายเรียกว่าสายุชยะคือบริสุทธิ์สะอาดเต็มที เขารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิญญาณสาคนไม่วิวันจะแยกออกมาเวียนวายตายเกิดเสวยทุกข์อีกต่อไปในการที่จะบรรลุถึงขันที่สีนี่ไม่ใช่ของไงไ่ายๆายางที่ข้าพเจ้าพูดมาแล้วพระวิญญาณของเราเราไม่บริสุทธิ์ต้องํำระโดยการปฏิบัติโยคก หลายชั้นหลายเคอรถ้าจะเปรียบก็เหมือนทองคําเจืออยู่ในโลหะต่างๆห้าชนิดการที่จะแยกเอาทองคําบริสุทธิ์ออกได้นั้นจะต้องนำไปหลอมขับไล่โลหะที่ไม่พึประสงออกเมื่อเปรียบเสมือนการทำนมใสอันบริสุทธิ์จากนมจะต้องมีการหุงต้งหลายครั้ง ข้อปฏิบัติทางจิตใจในลัทธิของท่านเนี่ยแล้วก็มีเหตุผลหน้าฟังมากทีเดียวท่านบอกว่าการที่จะนําวิญญาณผ่านระยะต่างๆเข้าสู่วิญญาณสากลนั้นจะต้องอาศัยการปฏิบัติตามหลักโยคะแต่ท่านยังไม่ได้อธิบายให้ขอเจ้าฟังเลยว่าการปฏิบัติโยคะนั้นจะต้องทํำยังไงบ้างให้ข้าพเจ้าพักเลยข้าครู่ก่อนเถนะท่านสาจญาบุตร ได้ผนอกจากจะช้าทนัะนยความตาปนคนธรรมายิ่งมีขเจ้าแกกว่าตัายอะยะสมคอย่างยิงแล้วที่จะตายจะต้องร้องไห้เศร้ทำมเสียดกับแกมากเลยข้าพาไม่ได้สีดาผัแก <c oughs> ตอนแต่งงานขก็ขม่ได้ล้ว <c oughs> แต่ถึงพ่อแม่บังคับหลอกถึงไม่ตังค์ต่เขาเป็นเศรษฐีทีความสุขในเจ้ายัางมากมายนะสุขใจใจมีความสุขเลยสักนิดเดียวแต่ทีงไรเจ้าเป็นเมียเขาอย่าโม้ต่อเถียงกันเลยร้เตืนตัวเตรใจที่จะทำตามประเพณีเถอะไม่ข้าไม่ทำเลเจ้าต้องทำผัวตายเจ้าก็ต้องถูกเผาตามหัวไปด้วยมม่ 跑了，他啥个也不懂，看我叫的闹了啦。 ท่านผู้สรงพระยโคะมีหลายประเภทเรียกชื่อต่างๆกันแต่โยคะที่มีอำนาจในการกำจัดบาปอากุศลได้อย่างเท้จเรียกชื่อว่าอัคยโยคะหรือโยคะแปดประกาศบาปใดๆก็าตามที่บุคคลกระทำแม้จะเป็นบาปร้ายแรง ไม่ว่าจะฆ่าผราหรือโคการขโมยเงินทองการดื่มน้ำเมาการล่วงละเมิดในปัญญาของเขาการฆ่าบุตรในคันการหลอกลวงผราการทำลายคำมันสัญญาที่ให้ไว้กับผราสามารถลบล้างออกได้โดยการปฏิบัติอัคยโยข ผู้ที่จะปฏิบัติอัธยคศัจะต้องทำยังไงล่ะก่อนอื่นจะต้องอดอาหารติดต่อกันเป็นเวลาสามวันแล้วไปยังเทวาไร ห, หรือป่าชาหรือใต้ต้นพินวาเมื่อเลือกที่อันเหมาะสมได้แล้วจะต้องล้างบาปด้วยน้ำตามพิธีแล้วเอาสีเขียวจุดบนหน้าผา ต่อจากนั้นเอ า, าสีษันลงบนพื้นดินชี้เท้าทั้งสองขึ้นไปบนอากาศขณะที่อยู่ในทาลีโตกระทำปราณยามะปราณ ย, ยามะคืออะไรลนะ่ะเอามือปิดรูจมูกข้างริงไว้หายใจเข้าทางรูจมูกที่เปิดอยู่เสร็จแล้วเอามือปิดจมูกด้านนั้น แล้วหายใจออกแรงๆทางรู้จมูกอีกข้างหนึง่งทำยายางี้สนับกันไปหกครั้งขณะที่หายใจออกต้องสวดคาทาว่าประสาทเอ้ยท่านผูเป็นเทพธิดาตัวบาปอาศัยอยู่ที่ท่านหงออกมาณบัติตัวบาปดังกล่าว อาศัยอยู่ในประสาทซึ่งอยู่ภายในกระโหลกศีรษะด่างรายมันจะถูกขับออกโดยวิธีปาลัยมะเมื่อมันออกมาแล้วจะต้องเอาล้างในน้ำอุ่นแล้วให้การรูชาจากนั้นนำปราสาทที่ะอาดบริสุดแล้วกลับคืนสู่ที่เดิม โดยการหายใจเข้ายาวๆทางรูจมูกด้านขวาพร้อมด้วยสวดท้าทาว่าข้าแต่เทพิดาผู้ทรงศักดิ์บัดนี้ท่านบริสุทธิ์จากบาปแล้วท่านเป็นมารดาของโลกข้าพระเจ้าได้ทำการบูชาแก่ท่านแล้วขอเชิญท่านกลับคืนสู่ที่อยู่เดิมของท่านเถิด น่าสนใจมากท่านผู้ทรงพระค่าแต่ท่านผู้สรงพระข้าพเจ้าได้ฟังท่านบรรยายนะกั้แต่ต้นรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างก็คล้ายคลึงกับลัทธิของเราแต่บางอย่างแตกต่างกันมากทีเดียวถ้าท่านไม่รังเกียจที่จะฟังลัทธิของเราข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะเล่าให้ฟัง ไม่ยังเกลียดเลยท่านแสายกยายบุตรก็พราอยากฟังลัทธิของท่านนี่แหละข้าพเจ้าพิ้งอุตสาหติดตามมาสนทนากับท่านทั้งที่นี่ไงท่านเล่าไปเถอะก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องขอออกตัวซะก่อนว่าข้าพเจ้าเองก็ยังมีความรู้ในธรรมวินัยของพระบรมศาสดาน้อยก็ไม่สามารถให้ท่านฟังอย่างละเอียดได้อีกอย่าง ข้าพเจ้าไม่สันทับในการบรรยายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านประสงค์อยากรู้อะไรก็ถามมาดีกว่าข้าพเจ้าจะได้วิสัชนาเป็นข้อๆไปดีเหมือนกันข้าพเจ้าขอถามปัญหาอะไรกเืยทีเดียวจุดมุ่งหมายสูงสุดในลัทธิของท่านคืออะไรจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระธรรมวินัยของพระบรมศาสดาก็คือความดับทุกข์ พร้อม้วยเหตุของความทุกข์โดยไม่มีส่วนเหลือเท่านั้นเองนหรือว่ามีอะอยากอื่นอีกเท่านั้นเองไม่มีอะไรอีกความดับทุกข์ถุกแล้วท่านมีวิธีการดับทุกข์อย่างไรบ้างก่อนจะรู้วิธีดับทุกข์ท่านจะต้องรู้ต้นเหตุให้เกิดทุกข์ซะก่อนเพราะการดับทุกข์นั้นไม่ใช่ดับที่ตัวทุกข์แต่ดับที่ต้นเหตุ ข, ของทุกข์ เมื่อดับเหตุได้แล้วตัวทุกข์ก็จะดับไปเองเหตุของความทุกข์มีอยู่สองอย่างอะไรบ้างทันสากรกยาบุตรตัวที่เป็นต้นเหตุจริงๆเรียกว่าอาวิชชาความไม่รู้ความโง่เพราะความไม่รู้ไม่รู้ความจริงจึงเกิดมิชชาทิฐิความเห็นผิดไปจากความจริงเพราะเห็นผิดจึงเกิดโมหะความหลง เพราะหลงจึงเกิดความอยากคือตัณหาเพราะความอยากจึงเกิดการดิ้นรนทั้งในทางกุศลและทางเป็นอกุศลเพราะความดิ้นรนจึงเกิดการยึดถือเพราะมีการยึดถือทุกทั้งหลายจึงเกิดขึ้นนี่คือสายของความทุกข์ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้เพราะไม่รู้จึงเห็นผิดเพราะเห็นผิดจึงหลง เพราะหลงจึงอยากเพราะอยากจึงดิ้นรนเพราะดิ้นรนจรึงยึดเพราะยึดจึงเกิดทุกข์เป็นวิธีที่มีเหตุผลมากทีเดียวท่านสมณะแต่รู้สึกว่าลึกซึ้งอยากจะเข้าใจได้โดยง่ายข้าพเจ้าใครขอถามต่อไปว่าที่ว่าไม่รู้ท่านนะคืออย่างไร ไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงนะสิท่านผู้ส่งพระไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงของตนเองไม่รู้ความจริงกับคนอื่นศาสตว์อื่นไม่รู้ความจริงของโลกเมื่อไม่รู้ความจริงก็เข้าใจผิด เห็นผิดและหลงเข้าใจว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลมีทรัพย์มียศมีเกียรติมีสวยมีงามเมื่อหลงว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ก็เกิดความอยากอยากเกิดอยากเป็นอยากมีอยากได้เมื่อเกิดความอยากก็สร้างขึ้นทำขึ้นแสวงหาต่อสู้ดิ้นรนทุกวิถีทาง ทั้งทางดีทางชั่วเมื่อได้มีได้เป็นแล้วก็ยึดไว้เมื่อยึดไว้ไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ต่อไปท่านแสเกรียบุตรข้าพเจ้าจะเปรียบให้ท่านฟังเรื่องหนึ่งมีบุรุษผู้หนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าซึ่งในป่านั้นมีนางยักษีนีอาศัยอยู่เมื่อนางยักษินีเห็นบุรุษนั้นก็เกิดความกระหายอยากจะจับกินเป็นอาหาร แต่ครันงจะจับกินเลยทีเดียวก็เกรงว่าจะไม่ดีจิงแปลงเป็นหญิงสาวรูปร่างสวยโสภายืนอยู่ริมทางด้วยอาการยั่วยวนท่านจะไปไหนข้าพระเจ้าจะไปธุระต้องเดินทางผ่านทางนี้ นางเป็นใครอ่ะทําไมไมันเดินอยู่ที่นี่ ค, คนเดียวบ้านหลังข้ า, เขาพเจ้าแถวนี้นู่นหลังขึงน้นม้นี้ไปก็ถึงบ้านข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้ามันเดิ น, ดนเล่นาถวบ่อนๆโดยร่าทางข้ามจะเหน็ดเหนมากข้าท่านไม่รังเกียจเอาไปพักบ้านหลังข้าพเจ้าก่อนผัวหายหน่ีแล้วก็เดินทางต่อไปจะไม่เป็นการน่าเกลียดไปหรอกเหรอที่ข้าพเจ้าจะไปบ้านนางข้าพเจ้าอยู่คนเดียวชาวบ้านอาจจะว่าเอาได้นะบ้านข้าพเจ้าอยู่โดดเดียว บ้านหนอนางอยู่คนเดียวท่ามกาลางป่าเปลี่ยวเช่นนี้ไม่กลัวหรอกเหรอข้าไม่เจ้ฉันเลา่าขอเชิญท่านเมืนน่อนาม่หางเกียจข้าพเจ้าก็ยินดีรับเชิญฝ่ายบรุษนั้นไม่รู้สตรีนั้นคือนางยักษ์เสนีเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหญิงสาวธรรมดา ก็เกิดความหลงไหลอยากได้หญิงสาวคนนั้นเป็นกำลังก็เพราะความอยากนั่นแหละเขาจึงไปกับหญิงสาวจนถึงปราสาทและได้อยู่ร่วมกับหญิงสาวในปราสาทนั้นเขาเกิดความยึดว่าหญิงสาวนั้นเป็นพันยาของเขาปราสาทนั้นเป็นบ้านของเขาแต่แล้ววันหนึง่งหญิงสาวนั้นก็กลับเพศเป็นนางยักษซนีตามเดิมจับชายคนนั้นกินเป็นอาหาร ก่อนตายชายคนนั้นได้อภพานออกมาว่าเพราะเราไม่รู้ความจริงจึงได้หลงรักนางยักษินีอยากได้นางเป็นพันยาตามนางมาจนอยู่ด้วยกันแล้วก็หลงยึดเป็นพันยาจึงต้องประสบกับความพินาศท่านผู้บำเพ็ญโยคะบุรุษหลงรักนางยักษินีประสบเคราะห์กรรมอันน่าสมเพชเช่นใดมนุษย์ในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะอาวิชชา มนุษย์จึงเข้าใจผิดว่าชีวิตนี้แสนจะหวานจึงยึดความอภิรมในกามคขุณห้าสแสวงหาในหลงยึดในกามคุณห้าแต่วราระสุดท้ายก็ต้องประสบกับการเวียนว่ายตายเกิดอันไม่รู้จักสิ้นสุดในวัฏฏสงสารนี่คือตัวทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์หวังว่าท่านคงจะพอเข้าใจอุปมาโค้งคันถ้าไม่ข้าพเจ้าเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นมาทีเดียว ท่านสมณะถ้าอย่างนั้นตัวเราก็ดีคนอื่นก็ดีสิ่งต่างๆที่เราพบเห็นอยู่ก็ดีก็ไม่ใครของจริงนะสิเป็นความจริงเหมือนกันท่านสัญญาสีแต่เป็นความจริงชั่วคราวเป็นความจริงชั้นนอกเป็นความจริงตามที่โลกสมมุติกันขึ้นแต่ไม่ใช่ความจริงแท้ เป็นความจริงที่พระบรมศาสดาของข้าพเจ้าส่งเรียกว่าสมมุดติดสัจจ์เรียบเสมือนนางยักษินีที่อยู่ในรูปของหญิงสาวความจริงหญิงสาวนั้นก็เป็นความจริงเหมือนกันแต่ความจริงชั้นนอกความจริงชั่วคราวความจริงแท้ก็คือยักษินีเอาละท่านสมณะเรื่องนางยักษินีข้าพเจ้าพอจะเข้าใจแล้ว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 แล้วดับไปตามหน้าที่ของมันไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เลยนี่คือความจริงแท้ที่เรียกว่าปรมาทสัจจ์ซึ่งอยู่เบื้องหลังเราเขาที่เราหลงยึดถืออยู่นี้มันเป็นเรื่องลึกซึ้งมากท่านสากยมุขรขปเจ้าโคสารภาตามตรงว่าทั้งหมดนี้ขปเจ้ายังไม่สามารถห็นตามท่านได้ แน่นอนเทเดียวท่านผู้ทรงพลความจริงแท้ย่อมเป็นสิ่งที่เข้าใจยากเห็นได้ยากเสมอเพราะเราคิดไม่ถึงและไม่เคยคิดมาก่อนคนธรรมดาย่อมเข้าใจและเห็นความจริงเฉพาะชั้นนอกเท่านั้นเปรียบเสมือนบุรุษที่กำลังหลงไหลหญิงสาวร่างโสภานั้นถ้าจะมีใครบอกเขาว่านั่นไม่ใช่หญิงสาวนะให้ระวังตัวแต่เป็นนางยักษ์เซนี เขาย่อมไม่เชื่อเป็นธรรมดาเพราะอะไรท่านผู้ทรงพระนัิเพราะอะไรท่านแสกยะบุตรเพราะภาพที่เขาเห็นอยู่เฉพาะหน้าเป็นหญิงสาวอย่างชัดเจนฉะนั้นการที่จะเห็นเป็นปรมาทสัจจะจึงเป็นการฝนกระแสะโลกเป็นการปฏิวัติทางความคิดความเชื่อความเห็นซึ่งทาได้ยากยิ่ง แม้ในธรรมวินัยของพระบรมศาสดาผู้ที่ฟังธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาจบแล้วเห็นตามได้ทันทีย่อมเป็นผู้ที่มีปัญญาบา ร, รมีแก่กล้าได้รับอบรมมาเต็มที่แล้วเปรียบเหมือนหัวฝีที่แก่รอบแล้วพอมีอะไรมาส ก, กิดนิดหน่อยก็จะแตกออกทันทีและผู้ที่จะเห็นปรมาเทศะได้แจ่มแจ้งก็แสดงว่าได้บรรลุมรผลชั้นต้น เป็นพระโสดาบันแล้วท่านสมณะพระเจ้าอยากสนทนากับท่านอีกนานๆแต่นี้ก็ดึกมากแล้วบางทีท่านอาจเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางต้องการพักผ่อนพระพเจ้าจึงไคยขอถามปัญหาสุดท้ายคือเมื่อทราบแล้วว่าเหตุของุกคือความไม่รู้ ความเห็นผิดความหลงความอยากการสร้างสรรและความยึดถือดังกล่าวแล้วจะบำเพ็ญโยคะอะไรจึงจะสามารถกําจัดเหตุแห่งทุกข์ลาวี้ได้วิธีการปฏิบัติในลัทธิของข้าพเจ้าเท่าที่พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้มีมาแต่ถ้ากล่าวโดยย่นย่อมีหลักสาคัญเพียงสาม ป, ประการ อะไรบ้างท่านสมณะหลักสําคัญสามประการมีอาธิศินสิกขาอาธิจิตตสิกขาและอาธิปัญญาสิกขาประการที่หนึ่งอธิศินสิกข า, าหมายถึงอะไรหมายถึงการศึกษาปฏิบัติตามสิกขาบทวินัยที่พระบรมศ า, ศาสดาส่งบัญญัติไว้จุดมุ่งหมายสําคัญก็คือ เพื่อเว้นจากความชั่วทั้งกายและทางวาจานั่นเองประการที่สองที่เรียกว่าอาิจิตตสิกขานั่นแหละท่านสมณะอาทิตตสิกขาได้แก่การฝึกฝนอบรมจิตจนจิตใจสะอาดปราศจากนิวรณเคลื่อนเศาหมองตั้งมั่นเป็นสมาธิควรแก่การงาน เป็ดเหมือนม้าพยศที่เขาฝึกดีแล้วต่อไปประการที่สามเท่านผูรงศิลประการที่สามเรียกว่าอาธิปัญญาสิกขาคือการอบรมปัญญาหรือแสงสว่างภายในให้เกิดขึ้นในใจแล้วน้อมนาเอาแสงสว่างนั้นไปพิจารณาสภาพของสิ่งต่างๆจนรู้ปรมาภัษฐ์ของสิ่งนั้นเมื่อนั้นแหละอวิชชา จะถูกปัญญากำจัดไปให้หมดสิ้นเมื่ออวิชชาหมดไปวิชาคือความรู้ก็เข้ามาแทนเมื่อความรู้จริงแล้วก็เกิดความเข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อเข้าใจถูกก็ไม่หลงเมื่อไม่หลงก็ไม่อยากเมื่อไม่อยากก็ไม่ต่อสู้ดิ้นรนไม่ยึดถือปล่อยวางในสิ่งทั้งปวงเป็นอิสระเสรี มีแต่ความสงบสุขทุกเมือ่อท่านสมณะเทาที่ข้าพเจ้าได้ฟังท่านมาไม่สึกว่าการปฏิบัติแบบท่านไม่มีโยคะอันยิ่งยวดเป็นการทรมานร่างกายอย่างรติเราเลยไม่มีหรอกท่านผู้สงครสการบำเพ็ญตบะหรือโยคะทรมานร่างกายนั้นพระบรมศาสดาของเรา เคยทรงปฏิบัติมาแล้วก่อนตรัสรู้แต่แล้วก็ไม่เป็นผลอะไรเป็นการทรมานตนให้ลำบากเปล่าๆสังขารร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ตาปกติมันก็เจ็บปวดอยู่แล้วจะไปทำให้มันเจ็บปวดยิ่งขึ้นเพื่ออะไรร่างกายนี้เป็นตัวผลซึ่งเกิดมาจากเหตุมันไม่รู้เรื่อรู้ราวอะไรเลยถึงเราจะทรมานมันให้ลาบากเพียงใดก็ไม่สามารถดับทุกข์ได้ ถ้าจะทรมานต้องทรมานอาวิชชาตันหาอุ ป, ปาทานซึ่งเป็นต้นเหตุจึงจะถูกเปรียบเหมือนเจ้าของวัวเห็นวัวผอมไปเพราะมีพยาธิอยู่ในท้องเขาต้องการให้พยาธิหายและไปเคี่ยนตีวัวย่อมไม่มีประโยชน์อะไรนิแต่วัวจะตายตเปล่าๆ เ, เท่านั้นเองแ่นเซอร์นนะครัอบอาจารย์เรียนรู้ เกียกับลับที่ของท่านมามาพอรู้ทีเดียวรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างจับใจข้าวเจ้วมากแม้จะยังไม่เข้าใจแก้มแกว้วก็ตามขา้าว่าแก้วก็จะนําไปตรายรองดูให้ละเอียกอีกครั้งหนึ่งถ้ามีข้อใดที่ยังสงสัยผู้่นี้เช้ากอที่ทันจะจากไปขา้าว่าแก้วใครจะขอถามเพิ่มเติมอีกสําหรับคืนนี้ ขา้าจะขอลากลับก่อนเชิญท่านพักผ่อนตามสบา ย, ลยหลังจากสัญญาสียมทัศนีจากไปแล้ว ก็ เ, เตรียมตัวจะพักผ่อนหลับนอนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยละาจากการเดินทางเป็นกำลังปูผ้าอาบน้ำฝน ล, ลงที่พื้นเอาห่อผ้าทงเป็นหมอนคลี่สังกขาติออกคลุมกายนั่งเหยียดขาทั้งสองข้าวออกไปข้างหน้าใช้มือทั้งสองนวดเป็นขาทั้งสองข้างแก้เมื่อยครแสงกระทียบเนยใสส่องส ว, าว่างวอดแหวม ฟ้าผนังนถุกขะด้วยดินเหนียวผสมฟางฉาบด้วยมูลโคสะท้อนแสงเงาดำบรรยากาศังีชบสงัดวังเวงงนานๆจะมีเสียงสายลมยามดึกพัดใบมาม่วงสู้ซาอยู่ข้างบนในยามเช่นนี้อดขวนคิดถึงความหลังขึ้นไม่ได้แต่ไม่ได้ทำให้สบายใจขึ้นเลยกลับทำให้จิตใจสร้าหมองลงไปอีก พยายามนะครัก<ม>คิดไม่คิ ด, <ม>คดถึงอารมณ์อื่นอภัยล่นอ๋อมู